ในสมัยพุทธกาลนะที่เมืองสาวัตถีเนี่ยมีชายเลี้ยงโคคนหนึ่งนะคือจิตตหัดก็เป็นคนยากจนนะอาชีพก็รับจ้างเลี้ยงโคเช้าวันหนึ่งเนี่ยโปรที่ตัวเองรับจ้างมาเลี้ยงเนี่ยเกิดหายเลยต้องไปตามนะ้าไปในป่ากว่าจะเจอและตอนเข้าคอกได้นี่ก็ เที่ยงไปแล้วข้าวไม่ได้กินเลยนะหิวเพิินเดินผ่านวัดเชตวันนะก็เลยลองเข้าไปดูนะเผื่อจะมีอะไรกินบ้างก็ตอนนั้นเนี่ยพระก็ฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีอาหารเหลือแล้วก็เยอะด้วยนะเพราะว่าญาติโยมน้สทตา พระพุทธเจ้ามากเนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยในวัดเนี่ยก็ได้รับบิณฑ บ, บาตมาพอสมควรอาหารที่เหลือจากการฉันเนี่ยจิตตหัดก็กินนะแล้วก็กินจนพุงกลางเลยก็ว่าได้เพราะอาหารเยอะมาก <c oughs> กินเสร็จนะก็ ถามพระที่เฉตะวันวันเนี่ยวันนี้ไปรับนิมนต์มาหรือหรือมีการเลี้ยงพระหรือพระท่านก็นตอบว่าไม่มีก็ปกติก็ไปบิณฑบาตนะเป็นวันธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษจิตหัรได้ยินฉะนั้นก็ได้คิดขึ้นมาไรยนะโอ้นี่ขนาดวันปกติธรรมดานะยัง มีคนใส่บานี่เยอะขนาดนี้แล้วก็เป็นอาหารดีด้วยประนีตเราทำงานมาทั้งวันเนี่ย <S <S ก็ยังไม่มีปัญญานะซื้ออาหารที่ดีหรือว่าประนีเท่านี้เลยนี่ขนาดเป็นของเหลือนะคิดฉชนั้ น, นแล้วก็เลยอ่า ตัดสินใจนะเราบวช ด, ดีกว่านะจะได้มีของกินจะได้ไม่ต้องไปดิ้นรนขวนขวายนะทำงานทำงานหนักแต่ว่าอาหารที่ได้มามันน้อยเหลือเกินสู้บวชพระไม่ได้นะแค่บินทบาทนี่ก็ได้อาหารไม่เยอะเลยแล้วก็ประนี ด, ด้วย ก็เลยนะตัดสินใจบวชนะแต่ว่าจิตหารเนี่ยมีภรรยาอยู่ก่อนละพอบวชไปได้สักพักเนี่ยก็คิดถึงอดีตภรรยาหลังจากที่อิ่มหนำนะอ้วนท้วนนะไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องการกินละก็เลยนึกถึงความสุขสมัยเป็นคารวาสก็เลยศึกนะ ศึกไปอยู่กับเมียแต่พอศึกไปก็ก็ต้องทำงานหนักไม่ค่อยมีกินเท่าไหร่พอเจอความลำบากเข้าก็นึกถึงชีวิตสมัยที่เป็นพระนะว่ามันสบายนะมีกินมีกุฏิเสนาสนะนะดีกว่าเพิงที่ตัวองอยู่สินะก็เลยกลับมาบวชใหม่ พอสบายนะหายลำบากแล้วก็นึกถึงชีวิตคารวะก็เลยศึกไปไปอยู่กับเมียแต่พออยู่ไปได้สักพักเจอความยากลำบากโอยชีวิตคารวะนี่มันไม่ดีเลยนะสู้ชีวิตพระไม่ได้การมา บ, บวชใหม่นะเป็นอย่างเงี้ยหกครั้งบวชบวชศึกๆึ ซึ่งมันก็ก็เมือนคนจำนวนมากนะไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นนะตอนเป็นคาราวาร่าก็อยากบวชพระพอบวชพราแล้วก็นึกถึงช่วยคาราวาร่าก็เป็นงี้นะบวชบวชศึกศึกหกครั้งในเวลาก็ไม่กี่ปีเท่านั้นแหละแล้วลพอศึกครั้งที่หกเนี่ยก็กลับมาอยู่กับเมีย มีวันหนึ่งเนี่ยนะกลางดึกเลยตื่นขึ้นมาเห็นเมียนอนอย่างกับสลบสลายเลยนะปากอ้าน้ำลายยืดนะแล้วก็กล่นเสียงดังผ้าผ่อนก็หลุดลุย่ยจิตทหารพิจารณาแล้วโอ้มันเหมือนซากศพเลยนะเนี่ยแล้วก็เห็นเลยนะโอ้สังขารนี่มันไม่เที่ยงเลยนะ สรีระร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์หนอเกิดความเบื่อหน่ายคราวนี้ไม่ได้เบื่อหน่ายกับความยากลาบากนะแต่เบื่อหน่ายเพราะเห็นว่าสรีระสังขารร่างกายที่มันไม่เที่ยงเลย่เคยไปหลงยึดติดในสิ่งเหล่านี้แต่ที่แท้นี่มันกลับเป็นสิ่งที่นําความทุกมาให้ ก็เลยตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะจะไปบวชแล้วระหว่างที่เดินออกจากบ้านเนี่ยไปที่เชตวันเนี่ยก็พิจารณานะสรลีร่สังขานี่มันไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะบอกกันว่าเราไม่ทันถึงเชตวันเลยนะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเลยพอไปถึงวัดนะก็ขอบวชแต่ว่า พระที่เชตวันก็ไม่อยากบวชให้นะเพราะว่าเป็นอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วนะบวชบวสึกสึกเป็นคนที่โลเลเอาแน่อนอยไ ม, ไ, ไ, ม ไ, ไม่ได้ไม่ได้มีความตั้งใจในการบวชแต่คราวนี้จิตทหารเนี่ยยืนยันว่าเนี่ยจะบวชอย่างแน่นอนแลวจะไม่สึกด้วยพระท่านก็ดีนะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่ง บอกว่าจิตทหารเนี่ยเมื่อบวชแล้วเนี่ยหลังจากนั้นแค่สองสามวันนะก็บรรลุธรรมเป็นพระอารหันต์มีนะคนที่โลเลเอาแ น, อ, านอน้อยไม่ได้นะบวชบวชศึกๆึกนะเหมือนกับไม้ไม้หลังที่ปักขี้เลนเนี่ยแต่สุดท้ายได้กลายเป็นพระอารหันต์ทั้งที่ทีแรกก็บวชเนี่ยไม่ได้บวชเพื่อ หวังนิพพานใ์อะไรเลยนะบวชเพราะว่ามันสบายบวชเพราะว่ามีอาหารอุดมสมบูรณ์นะบวชเพราะหวังอาจจะไม่ใช่ลาบสักการะนะแต่ว่าหวังความสะดกสบายนิพพงนิพพานอะไรไม่สนใจแต่สุดท้ายได้กลายเป็นพาหาันอันนี้เรียกว่ามืดมาสว่างไปนะในสายพุทธกาลเนี่ยมีเยอะเลยนะที่มาบวชพระเพราะว่า เห็นแก่กิ่นนะนะเห็นแก่ปากท้องเพราะว่าพระในสมัยพุทธกาลเนี่ยในตอนหลังเนี่ยมีญายมศรัทธามากลาบสักการละก็มากพวกที่หวังลาบสักการละก็มาบวชนะมาด้วยกิเลสตัณหาเนะแต่สุดท้ายนี่กลายเป็นผ้ารหัรเลยมืดมาสว่างไปอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะว่าคนเราเนี่ย แม้จะดูโลเลเอาแนวน้อยไม่ได้แต่ว่าก็อย่าไปหมดหวังอย่าไปสิ้นศรัทธานะเพราะว่าอาจจะมีอุปนิสัยนะแห่งความเป็นพาริยเจ้าหรือพรหรันหรือมีความไฝ่ดีที่จช่วยส่งเสริมให้เป็นพระดีได้อาจจะไม่ถึงกับเป็นพระรหันหรือพระริยะาแต่ก็สามารถกลายเป็นพระดีได้เพราะว่าคนเราเนี่ยมันก็มี ประเภมืดมาแต่สว่างไปในทางตรงข้ามนะก็มีประเภทสว่างมาแต่มืดไปก็มีนะอย่างพระบางรุ่นนี่ตั้งใจมาบวชเพื่อหวังนิพพานหวังทําที่สุดแห่งทุกข์หวังดับทุกข์เพราะเห็นว่าชีวิตนี้มันไม่เที่ยงชีวิตนี้ันเป็นทุกข์เหลือเกินแต่พอบวชแล้วเนี่ยเจอคําสั่งสอน เจอคำตักเตือนเจอคำพร่ำบ่นไม่ได้นะทนไม่ได้นะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเคยเป็นคารวาะนะได้แต่สอนคนอื่นแต่พอมาบวชแล้วเนี่ยพระรุ่นลูกนี่กลับมาสอนกลับมาตักเตือนหรือตำหนินะเกิดความโกรธไม่พอใจศึกไปก็มีนะ ไอ้ย่างนี้เรียกว่าสว่างมาแต่มืดไปนะจะบวชเพื่อพันธิพานแต่ว่าท้ายนะก็ทนแค่คำตักเตือนไม่ได้นะแบบนี้ก็มีเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยจะดูเพียงแค่ว่าบวชเพื่อเห็นแก่กินเนี่ยอย่างนี้นี่ไม่ไหวเนี่ยมันก็ไม่แน่นะ สุดท้ายปลายทางก็อาจจะกลายเป็นพระดีหรือพาริยะเจ้าหรือพระอรหันต์ก็ได้มอในง่ายนี้เนี่ยญาติโยมที่ใช้ตะวันนี้ก็ถือว่าใจกว้างนะเพราะว่าพระจิตหัรเนี่ยบวชบวชศึกๆึกมาหลายครั้งเนี่ยญาติโยมก็คงเห็นนะว่าภาะรุมนี้นี่นะโลเลแต่ก็ยังใส่บาตรนะ ยังใส่บาตรยังให้โอกาสและสุดท้ายเนี่ยไอ้ที่ใส่บาตรไปก็ไม่ได้สูญเปล่านะเพราะว่าในสุดท้ายก็เป็นพระอรหันต์ทั้งทั้งที่ทีแรกนี่ไม่น่าศรัทธาเลยก็มีคนอยู่ไม่น้อยนะในปัจจุบันเนี่ยตั้งใจจะถวายหรือถวายทา่าหรือใส่บาตรเฉพาะพระดีปฏิบัติชอบหรือว่าพระอริยเจ้าพระอรหรันต เจอพระที่ดูโลเลนะเห็นแก่ปากทองนี่เสื่อมศรัทธาไม่อยากให้ไม่อยากถวายไม่อยากใส่บาตรถ้าทุกคนคิดแบบนี้หมดนะมันก็ลำบากนะเพราะว่ามีพระจุนวนไม่น้อยเนี่ยที่อย่างที่ว่านะมืดมาแต่สุดท้ายก็สว่างไป แต่ที่สว่างได้เนี่ยก็เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีญาติโยมอุปถรัรมภ์สนับสนุนอย่างพระจิตทหารเนี่ยถ้าหากว่าญาติโยมเห็นว่าเป็นคนโลเลนะไม่ใส่บาตเนี่ยก็คงจะไม่มีโอกาสได้ทําความเพียรจนได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในที่สุดเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าญาติโยมนะที่สาวัตถีนี่ก็เรียกว่าใจกว้างนะมีเมตตาให้โอกาส ทางทางที่เห็นแล้วนะว่าพระรูปนี้นี่บวชศึกบวชศึกอยู่นั่นแหละแต่ก็ยังยินดีอุปถรัรม์สุดท้ายเนี่ยก็ช่วยทำให้ท่านได้บรรลุธรรมได้เป็นพระอรหันตะ์แล้วก็ได้ทำประโยชน์นะให้กับพระพุทธศาสนาที่จริงเนี่ยพระที่บวชบวชศึกๆึกเนี่ยนะ มันไม่ได้มีแค่รูปเดียวนะพระพุทธเจ้าเองเนี่ยพระองค์ก็เคยตัดว่าเนี่ยสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์หรือในอดีตชาติเนี่ยก็เคยเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะเคยบวชบวชศึกๆึกมาหกครั้งนะต่อเมื่อเบอร์ครั้งที่เจ็ดเนี่ยจึงได้ก้าวหน้าในธรรมที่พระองค์ตัดอย่างนี้เนี่ยเพราะว่ามันหลังจากที่ พระจตตหาดได้บรรลุธรรมเป็นพระรหันเนี่ยพระสงฆ์ในเชตวันก็คุยกันนะว่าโอขนาดคนที่มีอุปนิสัยเป็นพระรหรนันนี่ยังโดนกิเลสครอบงําถึงขั้นบวชบวชสึกสึ ก, สกถึงหกครั้งเนี่ยกิเลสนี่มันน่า ก, กลัวนะขนาดคนที่มีอุปนิสัยเป็นพระรหันนี่ก็ยังพายแพ า, พาแต่อกิเลส ถ, ถึงหกครั้งครูตาก็บอกว่าใช่แล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะแม้แต่เราเองเนี่ย แนวอดีชาติก็เคยเป็นแบบนี้มาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเห็นพระที่โลเลนะหรือว่าเห็นแกกินเนี่ยนะอยไปตัดสินว่าเป็นคนที่หมดหวังแล้วนะอาจจะกลายเป็นพระดีก็ได้ถ้าได้รับการอุปถัมภ์ได้รับการดูแลหรือการหล่อล้อมสั่งสอนนะอย่างเหมาะสมเนี่ยที่มืดมาก็กลายเป็นสว่างไปได้ นะอย่าเจาะจงหรือคิดแต่ว่าโอ้จะใส่บาตรหรือถวายทานเฉพาะพระอาหารหันต์พระอุิยา้าหรือพระดีปฏิบัติชอบนะพระที่โลเลเห็นแก่ปากท้องนี่ก็มีโอกาสที่จะเป็นพระดีได้นะถ้าได้รับการ อ, อบรมการอุปถัมภ์อย่างถูกต้อง